บุญช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบามีเรื่องของการใช้นิกรรมหลายเรื่องรวมทั้งการที่แรงบุญช่วยผ่อนหนักเป็นเบาตอนที่เพิ่งมาอยู่วัดได้สองเดือนกำลังเดินจงกรมอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงมาทวงชีวิตว่าพาลูปพาผัวเข้าไปตายไม่เอาพวกเขากลับมาเขาบอกอย่างเนี้ยข้าพเจ้าก็หันไปดูรอบๆวัดนี้ก็มีรั้ว และกุฏิหลวงตาก็อยู่ตรงนั้นไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็ ร, รวบรวมความกล้าของตัวเองบอกกับเขาว่าเอาละ่ะถ้าหากว่าฉันทําไปเพราะเป็นหน้าที่พวกเธอจะโกรธฉันก็ไม่ถูกถ้าฉันอยู่ในสภาพลูกผัวเธอเป็นใครก็ต้องทิ้งเคลื่อนทับออกไปได้เหรอในเมื่อสภาพคนเหมือนร่อแร่มันก็ต้องทิ้งให้แรงกากินใช่ไหมเพราะฉะ น, นั้นก็ถูกโกรธทั้งฝ่ายเราถูกโกรธทั้งฝ่ายเขา ก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าชาติใดชาติหนึ่งตัวเองต้องเคยเป็นแม่ทัพนำกองทัพไปรบแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังวันหนึ่งหลวงตาท่านเดินผ่านมาท่านบอกลูกศิษย์ผู้ชายคนหนึ่งว่าที่นี่เป็นกองทัพ บ, บุญมีกองบุญใหญ่อยู่ที่นี่ท่านใช้คำนี้ข้าพเจ้าก็นำมาปฏิปต่อกันแต่ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังพอมาเจ็บป่วยก็เข้าใจว่ากรรมเป็นอย่างนี้มันเป็นวิบากกรรมของใครของมันต้องใช้เขา แต่ถ้าบุญมีพอก็จะช่วยคลายหนักเป็นเบาได้อย่างตอนเกิดแก๊สระเบิดถ้าเป็นที่อื่นคงต้องโดนลอกหนังสามเดือนแน่ๆแต่ที่นี่ไม่โดนลอกวันนั้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปทำกับข้าวก็ลุกขึ้นไปหยิบเสื้อเมืองเหนือที่มันแห้งๆปีกๆแบบสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วกางเกงนอนก็เป็นผ้าแพรเมืองจีนหยิบมาใส่แล้วเตาที่อยู่ที่พื้น เกิดระเบิดตูมมันอ้าออกหนูวิ่งพลานออกมาแสดงว่าหนูไปกัดสายแกส๊สและคิดดูถ้าตอนนั้นไม่มีเสื้อตัวนี้คลุมไว้จะไหม้ทั้งตัวไหมไม่เหลือแน่นอนแต่ข้าพเจ้าโดนแค่นิดหน่อยทุกคนก็ไปหาว่านหางจระเข้มาช่วยแตะไปแตะไปก็ค่อยอยังชั่วอีกเรื่องก็เทียนล้มในกุฏิข้าพเจ้ากลัวความมืดจึงจุดเทียนทิ้งไว้ในกุฏิ พอออกมาจากห้องน้ำไฟไหม้ลูกสูงตั้งศอกไฟพุ่งตรงแนวเลยก็หาผ้ามาเอาน้ำราดแล้วก็เอาผ้าเปียกตบๆไฟมันก็ค่อยดับตอนหลังข้าพเจ้ามาคิดว่าไฟเนี่ยต้องมีใครคุมไว้ให้แน่เลยเพราะอีกแค่คืบเดียวก็โดนเสื้อผ้าที่แขวนไว้ถ้าโดนเสื้อผ้าก็จะไหม้ไปใหญ่โตเลยมันถึงเวลาต้องรับวิบากหนีไม่ได้หรอกแต่บุญกุศลที่เราทาไว้ ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา